จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบอ้องตรงกับวัน <c oughs> ขึ้นส5บห้าค่ำเดือนยี่เป็นวันพระ วันธรรมวัสวนะวันฟังธรรมเป็นวันพิเศษเพราะเราจะมากระทาในสิ่งที่พิเศษกว่าปกติคือเราจะมายกระดับจิตใจของเราให้สู ง, สงขึ้นกว่าปกติด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติตาม ที่พระบรมศาสดาพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติกันเช่นวันนี้เราจะมาเสียสละแทนที่เราจะเห็นแก่ตัววันนี้เราจะเห็นแก่ผู้อื่นวันนี้แทนที่เราจะเอาเราจะให้วันนี้เราจะ เป็นคนที่มีศีลคือปกติเราอาจจะไม่ได้รักษาศีลข้อใดเลยวันนี้เราจะมารักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือ5ข้อหรือ8ข้อตามแต่กำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเราจะมาศึกษาหาความรู้ ทางด้านพระศาสนาเพื่อให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องที่จะพาเราให้ดำเนินชีวิตไปอย่างสุขและเจริญเราจะมาทำจิตใจที่มีแต่ความว้าวุ่นขุนมัวฟุ้งซ่านให้มีความสงบให้มีความล่มเย็นเป็นสุข นี่คือความหมายของความพิเศษวันพิเศษก็คือเรามาทำกิจกรรมที่พิเศษกว่าปกตินั่นเองเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่พิเศษแล้วผลที่พิเศษก็จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะเหตุกับผลนั้นเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันเกี่ยวข้องกันความพิเศษหรือความวิเศษ นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความปรารถนาของเราแต่เกิดจากการกระทาของเราเราจึงต้องมีวันพิเศษก็คือวันพระนี้เองวันพระแปลว่าวันประเสริฐประเสริฐเพราะการกระทาไม่ได้ประเสริฐเพราะอยากจะประเสริฐดังนั้นเราจึงควรที่จะ ให้ความสําคัญต่อการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจให้เป็นการกระ ท, ทําที่วิเศษกว่าผู้อื่นผู้อื่นรักขโมยเราจะไม่รักขโมยผู้อื่นฆ่าตัดสัตว์ชีวิตเราจะไม่ฆ่าตัดสัตว์ชีวิตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นประพฤติผิดประเวณีเราจะไม่ประพฤติผิดประเวณี ผู้อื่นพูดปดมดเทศโกหกหลอกลวงเราจะไม่พูดปดมดเทศโกหกหลอกลวงผู้อื่นเสพสุรายามาเราจะไม่เสพสุรายามานี่คือการกระทำตัวเราให้วิเศษกว่าผู้อื่นอยู่ตรงนี้นั่นเองไม่ได้อยู่ที่อื่นผู้อื่นมีแต่ความโลภมีแต่ความอยากมีแต่ความเห็นแก่ตัวเราจะมา ละความโลภละความอยากละความเห็นแก่ตัวด้วยการศสียสละด้วยการทำบุญให้ทาน mm hmm. เมื่อเราได้ทำแล้ว mm hmm. ผลก็คือความเจริญของจิตใจก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาทำให้เราเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือกล่าบว่าบูชา ดังที่เรากราบว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระภิกษุผู้ทรงศีลทั้งหลายเพราะจิตใจของท่านนั้นสูงกว่าของพวกเรานั่นเองไม่ได้กราบเพราะว่าท่านโกนศีรษะห่มผ้าเหลืองแต่อย่างใดเพราะผ้าเหลืองนี้ใครๆก็ห่มได้ศีรษะใครๆก็โกนได้แต่การห่มผ้าเหลืองโกนศีรษะนั้น ไม่ได้ทำให้บุคคลประเสริฐแต่อย่างใดเป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์เป็นเครื่องแบบเหมือนเครื่องแบบที่ข้าราชการเขาใส่กันเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นข้าราชการเหล่าใดเป็นทหารเป็นตำรวจคนเราก็เหมือนกันคนเราทีมา่มีการประพฤติ ท, ที่พิเศษก็จะมีเครื่องแบบของเขาเหมือนกันเช่นพระสงค์องค์เจ้าท่านก็นมี ผ้าสีเหลืองไว้นุ่งหง่มถ้าเป็นอุบาสิกาแม่ชีก็มีผ้าขาวเป็นเครื่องนุ่งหง่มเป็นสั ญ, ญลักษณ์แสดงบ่งบอกถึงความพิเศษของการปฏิบัติแ ต, แต่ถ้าห่มแล้วห่มเหลืองก็ดีห่มขาวก็ดีโกนสีสาะแล้วแต่ไม่ได้กระทำสิ่งที่พิเศษกว่าผู้อื่น ก็ไม่ได้ทำให้ตนเองพิเศษแต่อย่างใดถ้ายังพูดปลดมดเท็ดยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังประพฤติผิดประเวณีเสพสารยามางโกหกหลอกลวงอยู่ต่อให้ทำกวนหัวต่อให้ห่มผ้าสีอะไรก็ตามก็ไม่ได้ทำให้เกิดความวิเศษขึ้นมาได้แต่อย่างใดอยู่ที่การกระทําของเราเป็นหลัก อยู่ที่การกระทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำ เ, เมื่อเราทำแล้วจะห่มหรือไม่หม่มจะโกนศีรษะหรือไม่โกนศีรษะก็วิเศษขึ้นมาได้บางท่านไม่ได้โกนศีรษะไม่ได้ห่มผ้าเหลืองผ้าขาวแต่มีการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นผู้ที่วิเศษขึ้นมาได้เช่นเดียวกันไม่ได้อยู่ที่ การโ่มผ้าหรือโกนสีสษะและไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยเป็นหญิงก็เป็นผู้ประเสริฐได้เป็นชายก็เป็นผู้ประเสริฐได้เป็นเด็กก็เป็นผู้ประเสริฐได้อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติการที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่างดีอย่างประเสริฐก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐินี้เป็นเหมือนกับแผนที่ที่จะบอกให้เราเดินไปในทางที่เราปรารถนากันเช่นเราปรารถนาความสุขความเจริญเราไม่ปรารถนาความทุกข์ความเสื่อมเสียเราก็ต้องรู้จักวิธีที่จะพาให้การกระทําของเรานั้นไปสู่ความเจริญความสุข ไปสู่ไปห่างไกลจากความทุกข์จากความเสียเสียทั้งหลายต้องมีแผนที่เหมือนกับการเดินทางเวลาเราจะเดินทางไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปถ้าไม่มีแผนที่เราก็จะไม่รู้ว่าไปอย่างไรจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าเรามีแผนที่เราก็จะสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของเราได้ การที่จะยกตัวเราให้วิเศษให้ประเสริฐขึ้นมาได้นั้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคือความเห็นว่ากรรมมีจริงนั่นเองกรรมก็คือเหตุผลก็คือก็คือสิ่งที่เราปรารถนาความสุขความเจริญ เหตุก็คือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจถ้าคิดดีพูดดีทำดีผลก็คือความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลก็คือความทุกข์และความเสื่อมเสียก็ตามมาคิดไม่ดีคิดอย่างไรก็คิดว่าทำบาป ท, ทำกรรมแล้ว ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรไม่มีตายแล้วก็สูญไม่ต้องไปใช้กรรมไม่ต้องไปเกิดใหม่อย่างนี้ก็เป็นเรียกว่าความเห็นที่ผิดไม่เชื่อในหลักกรรมเมื่อไม่เชื่อในหลักกรรมแล้วก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเมื่อคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไปแล้วผลเสียหายก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม เพราะเป็นเหมือนกับเกินการเดินทางถ้าเดินทางไปแล้วมันก็จะต้องพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราเดินไปนั่นแหละเราเดินไปทางซ้ายก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางหนึ่งเราเดินไปทางขวาเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางอีกทางหนึ่งเช่นเราออกไปทางทางหน้าวัดไปที่แยกถนนสุขุมวิทถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราก็ต้องไปถึงสัตหี ถ้าเราเลี้ยวขวาเราก็ไปถึงพัทยาไม่ได้อยู่ที่ความปรารถนาของเราว่าเราอยากจะไปพัทยาแต่เราเลี้ยวซ้ายไปมันก็ไปไม่ถึงพัทยาหรืออยากจะไปสัตหีบแต่เลี้ยวขวาไปมันก็ไปไม่ถึงสัตหีบมันมันเมื่อเราเลือกทางเดินไปแล้วจุดหมายปลายทางมันก็จะต้องเป็นปตามที่ ทางนั้นจะพาไปจันดายการกระทำของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเลือกเราเลือกที่จะกระทำความไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้และเมื่อทำไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปลบล้างได้ดังเวลาที่เราทำบาปไปแล้วเราเกิดความเสียใจ เราก็อยากจะล้างบาปไม่อยากจะให้มีผลเสียตามมาแต่เมื่อทำไปแล้วมันล้างไม่ได้มีทางเดียวที่จะทำได้ก็คือให้เรายอมรับผิดเพื่อเป็นการสกัดการกระทำผิดในคราวต่อไปยอมรับว่าสิ่งที่เราทำมานั้นมันผิดไปแล้วเราจะ พยายามแก้ไขต่อไปเราจะยินดีรับโทษรับกรรมของการกระทําผิดที่เราได้ทําไว้เพื่อจะได้เป็นบทเรียนสอนใจไม่ให้กระทําอีกถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่กล้าทําผิดอีกแต่ถ้าเราทําไปแล้วไม่มีทางที่เราจะไปลบล้างมันได้มีแต่จะต้องคอยรับมันเท่านั้น และวิธีที่จะรับมันได้ดีที่สุดก็คือยอมรับใช้บุใช้กรรมไปทําใจให้สงบนิ่งอย่าไปดิ้นรนขัดขืนอย่าไปต่อสู้เพราะจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกหลายชั้นด้วยกันทําใจให้สงบทําใจให้เย็นอะไรจะเกิดก็เกิดเหมือนที่เรามาเกิดแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย นี่ก็เป็นผลที่เกิดมาจากการอยากจะมาเกิดเมื่อเรามาเกิดแล้วผลก็คือความแก่ความเจ็บความตายก็จะต้องตามมาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่เราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์นี้เราทาได้ถ้าเรายอมรับใช้กรรมยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเราก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเราไม่ยอมเราพยายามดิ้นรนขัดขืนหนีเราก็ยิ่งทุกข์ทรมานยิ่งขึ้นไปใหญ่และจะไม่มีทางที่จะหนีพ้นจะต้องแก่จะต้องตายจะต้องเจ็บด้วยกันทุกคนดังนั้นการหนีจึงไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องแต่กา ร, รเผชิญรับกับมันนี่แหละเป็นที่วิธีที่ถูกต้อง เผชิญด้วยธรรมะคือมีสติมีสมาธิมีปัญญาคอยควบคุมคอยสอนใจให้ยอมรับความจริงอย่าดิ้นรนอย่าขัดขืนเมื่อยอมแล้วจิตจะหยุดเมื่อหยุดแล้วจิตจะเย็นนี่คือสูตรสามยออที่เราควรจะนำเอามาใช้ต่อการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะกับ เหตุการณ์อันใดก็ตามขอให้เรานรึกถึงสามยอนี้คือยอมหยุดแล้วก็เย็นไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดไหนเกิดขึ้นก็ตามยอมรับมันไปยอมรับกับสภาพเมื่อยอมรับแล้วจิตเราจะหยุดจะไม่จะไม่ต่อต้านจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่เสีย อ, อกเสียใจจะไม่คิดร้ายทำร้ายผู้อื่น เมื่อมเมื่อหยุดแล้วใจก็จะเย็นจะมีความสุขมีความสุขทั้งๆที่ประสบกับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเช่นสูญเสียสิ่งที่เรารักไปถ้าเรายอมรับความจริงนี้ได้ว่ามันเกิดลืดขึ้นแล้วมันไปแล้วเรายอมรับกับความจริงอันนี้จิตเราก็จะหยุดต่อต้านหยุดหยุดที่จะคิดหาวิธีที่จะ เอาสิ่งที่เราสูญเสียนั้นกลับคืนมาเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์งกงวลกวายที่จะต้องดิ้นรนหาหนทางต่างๆต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่สูญเสียกลับมาเมื่อหยุดแล้วใจก็จะเย็นเมื่อเย็นแล้วก็จะสงบมีความสุขนี่แหละคือวิธีที่เราควรที่จะ นำมาใช้กับชีวิตของเราและควรที่จะยอมกับสภาพของเราที่เรามีอยู่เป็นอยู่เรามีอะไรเราได้อะไรขอให้เรายอมกับสภาพนี้พอใจกับสภาพนี้เราเป็นนายร้อยก็พอใจกับการเป็นนายร้อยเป็นนายสิบก็พอใจกับการเป็นนายสิบเป็นนายพันก็พอใจกับการเป็นนายพัน เป็นคนฐานะอย่างนี้ก็ให้พอใจกับการที่เรามีฐานะอย่างนี้มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มีสติปัญญาอย่างนี้ต่ขอให้เรายอมรักกับความเป็นจริงของมันเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมถ้าเราไม่ยอมเราอยากจะได้เพิ่มขึ้นไป เราก็จะต้องตะเกียกตะกายสแสวงหาด้วยวิธีต่างๆถ้าเราไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่สุดจริญเราก็จะไปหาด้วยวิธีทุจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะเกิดผลเสียหายขึ้นมาและในขณะเดียวกันจิตใจของเราก็ไม่มีความสุขเพราะความสุขนี้ ของจิตใจนี้ต้องเกิดจากการหยุดนิ่งของจิตใจเท่านั้นถ้าจิตหยุดนิ่งเมื่อไหร่จะพบกับความสุขเมื่อ น, นั้นความสุขของใจจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับลาบยศสรรเสริญกับกามมัสุขแต่อย่างใดแต่เกิดจากการทำจิตใจให้สงบนิ่งให้ได้เท่านั้นเองและไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับความสุขของใจต่อให้มีความสุขทง ทางทางอื่นเช่นได้เงินได้ทองมากองเท่าภูเขาได้ตำแหน่งเป็นถึงนายกรัฐมนตรีมีคนสรรเสริญยกย่องเยินยอมีความสุขกับการเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรุดผดทพระชนิดต่างๆความสุขเหล่านี้นั้นไม่สามารถที่จะมาเทียบได้เท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเลย นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นคนที่มีเงินทองกองเท่าภูเขานั้นก็ยังไม่รู้จักคําว่าอิ่มรู้จักคําว่าพอเพราะความสุขแบบนั้นมันไม่เคยให้ความอิ่มความพอนั่นเองและไม่เคยทําให้อยู่พ้นจากความทุกข์ได้แต่ความสุข ทางจิตใจนี้แหละที่จะให้ความอิ่มให้ความพอและจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายจะไม่สามารถเข้ามาทำลายความสุขของใจได้ต่างกับความสุขทางราบยุศสรรเสริญกรรมสุขที่ยังไม่สามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้ คนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีจึงยังทุกข์อยู่คนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังทุกข์อยู่คนที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญก็ยังต้องทุกข์อยู่คนที่มีความสุขกับการเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะชนิดต่างๆก็ยังต้องทุกข์อยู่ไม่เหมือนกับคนที่มีความสุขทางด้านจิตใจ เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ตถาวกทั้งหลายท่านไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนกับตัวของท่านจะไม่สามารถไปลบล้างความสุขที่มีอยู่ในใจของท่านได้เพราะเป็นปรมังสุขธิธรรมนั่นเองเป็นบรมบสุข เป็นสุขที่ไม่มีการเสื่อมเป็นความสุขที่ยั่งยืนเป็นไปตลอดเวลาดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการสร้างความสุขแบบนี้ด้วยการมากระทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่พิเศษกว่าปกตินั่นเองวันนี้เราจะมาละความโลภ ด้วยการให้ทานเราจะมาละความโกรธด้วยการรักษาสิ่งเวลาเราโกรธเราก็จะไม่ไปทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเราจะระงับดับความโกรธด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการให้อภัยแก่ผู้อื่นอันนี้เราจะมาสร้างความรู้สร้างสัมมาทิฏฐิ สร้างแผนที่นำทางให้แก่ชีวิตของเราด้วยการศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วเราก็จะมีแผนที่มีสัมมาทิฏฐิที่จะรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติตัวเราอย่างไรก็คือเราต้องคิดดีพูดดี ทำดีนั่นเองและเราต้องละเว้นจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราทําได้แล้วผลทีด่ดีต่างๆก็จะตามมาผลเสียหายต่างๆก็จะไม่ตามมาอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ไข่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกท่านช่วยเราได้เพียงแต่บอกทางให้แกเราเท่านั้น แต่เราต้องเป็นผู้ที่น้อมเอาคำสอนของท่านมาปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาอยู่ที่การกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจดังในบทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่คือหลักของคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนตรงที่หลักกรรมนี้ขอให้เชื่อหลักกรรมขอให้ปฏิบัติตามหลักของกรรม อย่าไปเชื่อในเรื่องของงมงายทั้งหลายเชื่อเรื่องดวงเรื่องดาวว่าเกิดวันนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวแต่อย่างใดอย่าไปเชื่อเรื่องว่าจะต้องใส่ชื่อผ้าสีนั้นสีนี้จะต้องมีชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับ ความจเจริญหรือความเสือ่อมความจเจริญหรือความเสื่อม น, นี้อยู่ที่การกระทำของเราต่อให้มีชื่อดีขนาดไหนกท็ทำถ้าทำไม่ดีก็ติดคุกติดตารางได้นายดีนายบุญนี้ติดคุกติดตารางกันเยอะแยะแล้วเพราะว่าชื่อนี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ไปติดคุกติดตารางแต่การกระทำต่างหากที่จะป้องกันไม่ให้ไปติดคุกติดตาราง ถ้าไม่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ไปติดตารางอย่างแน่นอน <c oughs> ดังนั้นขอให้เราจงเข้าใจหลักกรรมแล้วพยายามยึดหลักกรรมนี้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเราอย่าไปหลงงมงายกับคำสอนต่างๆที่ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า แม้จะออกมาจากปากของผู้ที่เป็นนักบวชก็ตามเพราะนักบวชบางท่านก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนอะไรเรียนมาจากผู้ที่ไม่รู้ด้วยกันเหมือนคนตามบอกสอนคนตามบอกก็จะพาให้ไปหลงงมงายกับสิ่งต่างๆได้ แม้กระทั่งวัตถุมงคลที่พวกเราอาจจะหลงไหลกันก็เช่นเดียวกันวัตถุมงคลนี้มีไว้เพื่อให้เป็นสิลิมงคลคือให้เป็นเครื่องเตือนสติให้เราล่ำลึกถึงพระพุทธเจ้าเระลึกถึงพระธรรมคำสอนเราลึกถึงพระอริยสงสารเพื่อเราจะได้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของท่าน ไม่ได้ให้เรามีไว้เพื่อปกป้องภัยอันตรายต่างๆเพราะมันเป็นเพียงวัตถุท่านก็บอกเร่าวัตถุมงคลคนที่ห้อยพระราคาเป็นล้านก็ตายได้หนีความตายไม่หนีความตายไม่พ้นเจ็บค่ายได้ป่วนเหมือนกันแก่เหมือนกันไม่มีใครที่จะหนีความแก่ความเจ็บความตายได้ ไม่ว่าจะมีพระพุทธรูปชนิดไหนราคาแพงขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้มีแต่กรรมนี่แหละที่จะป้องกันได้ถ้าทำกรรมดีไว้ทั้งในอดีตและในปัจจุบันก็จะมีอายุยืนยาวนานมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ถ้าทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตและในปัจจุบันก็จะมีอายุสั้นมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นนี่เป็นเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนดังนั้นขอให้เราจงระลึกถึงเรื่องของการกระทำของเราให้เราเฝ้าดูการกระทำของเราอยู่ทุกขณะว่าเรากำลังคิดดี พูดดีทำดีหรือไม่หรือว่าเรากำลังคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเรามีสติเราจะรู้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่รู้เช่นเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ใจเรากำลังคิดถึงเรื่องอื่นอยู่อย่างนี้เราก็ไม่รู้เช่นเรากำลังบีบคอคนทำร้ายผู้อื่นแต่เรากำลังคิดถึงสิ่งที่เขาทำกับเราเราก็จะไม่มีสติ ดูว่าเรากาลังทาอะไรอยู่เราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังทำไม่ดีเพราะเรามัวแต่ไปคิดถึงเรื่องที่เขาทำกับเราจึางทำให้เราเกิดความโกรธจนไม่มีสติที่จะยับยั้งการกระทำของเราได้แต่ถ้าเราคอยดูใจของเราว่าเรากำลังคิดอะไร <S <S กำลังคิดดี <S <S หรือคิดไม่ดี <S <S ดูว่าเรากำลังพูดดีหรือไม่ดี <S <S กำลังทำ ดีหรือไม่ดีเราก็จะสามารถที่จะยับยั้งการกระทำที่ไม่ดีได้ยับยั้งการพูดที่ไม่ดีได้ถ้าเรามีสติเฝ้าดูการกระทำของเราดังนั้นเราต้องคอยเจริญสติอยู่เรื่อยๆคอยเฝ้าดูการกระทำของเรากำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกำลังพูดก็ให้อยู่การพูดอย่า เดินไปแล้วก็คิดถึงเรื่องอื่นไปเพราะจะไม่มีสติถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เดินไปเหยียบสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เพราะเราเดินไปด้วยการไม่ได้มีสติดูการเดินของเราเรามัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นดังนั้นเราจึงต้องมีสติคอยเฝ้าดูการกระทำของเราถ้าเรามี ความเห็นที่ถูกต้องมีแผนที่แล้วเรามีสติคอยเฝ้าดูการกระทําของเราว่าเป็นไปตามแผนที่หรือไม่เราก็จะไม่หลงทางเราก็จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาได้ที่จะทําให้เราเป็นคนที่วิเศษขึ้นกว่าผู้อื่นได้อยู่ที่การกระทําที่วิเศษในวันวิเศษเช่นวันนี้นั่นเอง จึงอยากจะขอฝากเรื่องของการทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษนี้ให้ท่านได้นำไปพินิษ์พิจรารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติวายเพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรันตนะายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์